เอาความสุขทางเพศก็เหมือนกันใหม่ๆก็ตื่นเต้นแต่พอทำไปทำไปบ่อยๆบ่อยๆมันก็ชินชาก็ไม่ตื่นเต้นละก็ต้องไปหาต้องไปเสพของใหม่ไปหาประสบการณ์ใหม่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนท่วงท่าเปลี่ยนอะไรต่างเพื่อให้มันกลายเป็นของใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อมันจะได้เร่าจิตเล่าใจหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว เหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมอันนั้นแหละถึงจะเรียกเป็นความสุขผู้คนส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่ความสุขประเภทนี้คือมันต้องสนุกแต่ที่จริงแล้วมันมีความสุขอีกอย่างนึงนะเป็นความสุขที่ตร ง, งข้ามเลยเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนะความสงบนี่มันหมายความว่ามีสิ่งเร้าจิตกระตุ้นใจน้อยนะมีผัสสะที่มากระทบ น้อยนะมีสิ่งที่กระตุ้นไอตนะน้อยนะคนที่เสพความสุขประเภทแรกจนเต็มที่เนี่ยในสุดก็จะรู้สึกว่าอันนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็จะเริ่มสแสวงหาความสุขประเภทที่สองนะคือความสุขที่เกิดจากความสงบนะบางทีเราก็เรียกว่าสงบสุขนะ หลายคนที่ได้เคยเสพสิ่งเรามามากมายตอนหลังก็เริ่มเบื่อแล้วอยากจะไปหาที่สงบสงบมีเศรษฐีมีคนร่ำรวยจำนวนมากที่เดินทางไปประเทศอินเดียไปประเทศญี่ปุน่น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 โรงแรมนะให้คนมาพักอุปกรณ์ในความสะดวกนี้ไม่ไม่มีนะแต่ว่าคนก็พอใจที่ไปอยู่ทั้งที่ราคาแพงมากราคาแพงกว่าโรงแรมโแมโรงแรมห้าดาวสุดด้วยซ้ำทั้งที่สิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่มีเลยสัญญาณโทรศัพท์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 ตอนที่พระเจ้าเนี่ยมาจามสารแรกที่ป่ายสิปตนาเมรอกัยวันกับพิสุปัญจวัคคีเนี่ยไม่กี่วันหลังจากที่พระองค์ได้แสดง อ, อนัตตลกนาสูตรที่เราเพิ่งสาธิยมอสครูเนี่ยไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยยะกุลบุตรเนี่ยก็เดิน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 แต่หลังจากเสพสุขจนจนเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอใจไม่รู้สึกเกิดความพอใจทั้งที่มีดนตรีขับกล่อมมีผู้หญิงมาไล่ร้ำอยู่ทุกวันและทั้งคืนเต็ไมได้วยสิ่งเล่าจิตกระตุ้นใจนะแต่ว่าก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่ความสุขที่ตัวเองต้องการจนกทั่งคืนวันหนึ่งตื่นขึ้นมา กลางดึกนะก็เห็นผู้หญิงที่นางรำทั้งหลายนี่นอนกายกองกันนะโดยความเพลียดศราเห็นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นซากศพนอนกายกันเสื้อผ้าหลุดลุ่ยบ้างบางทีก็น้ำลายไหลก็เกิดความสังเวชขึ้นมา ก็เลยเดินออกไปจากคฤือหาดนะเดินไปอย่างไม่มีจุดหมายเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเดินไปไหนนะรู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ทางเราก็พูดไปเนะี่ยตลอดทางเนยะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอจนทั้งเข้าไปที่ป่าสิบปัตนามลกทยาวันไกลทีเดียวนะพารพารนัสีไปป่าสิบปัตนานเนี่ยเป็นสิบกิโลเลยครูจ่ากําลัง อตอนนั้นกำลังจเจริญสมาธิภาวนาอยู่ก็เลยพูดกับว่าที่นี้ไม่บุญวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็สะดุดใจนะยสะก็เลยเดินไปหาแล้วก็สนทนาธรรมผู้เจ้าได้แสดงธรรมนะแสดงธรรมสั้นๆ น, นะที่เห็นโทษของกามที่แรกที่เห็นถึง ประโยชน์ของการทำความดีก่อนการให้ทานการรักษาศีลและนาไปสู่ความสุขนะมีทรัพย์สมบัติพรั่งพร้อมแล้วก็ชี้โทษของกรรมแล้วก็ชี้เห็นทางที่ดีกว่าเนะท่านั้นแหละนะยกษาก็ตาสว่างเลยนะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระโสดาบันเนะพราะจิตใจของพร ะ, ะของยัสานีนะเหนื่อยหน่ายนะกับความสุขที่เกิดจากสิ่งเรานะใจเนี่ยปรารถนาความสุขที่เกิดจากความสงบมีตัวอย่างนี่มีมากมายนะของคนที่ในะที่สุดแล้วเนี่ยก็พบว่าความสุข จากความสงบนั้นประเสริฐกว่าอย่างเช่นพระพัตถยาก็เหมือนกันนะพระพัตถยานี่ก็เป็นผู้ปกครองเป็นพระญาของพระเถรเจ้าตอนลังก็มาบวชพร้อมๆกับพระอนนท์แล้วก็พร้อมกับพระยาพร้อมกับพระเทวทัตมาบวชนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะบวชนะแต่ว่าเพื่อนขอร้องเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนบวช ด, ด้วยตัวเองก็บวชไม่ได้ พอมาบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติแล้วในสุดก็พบกับความสงบอย่างที่ต้องการจนกระทั่งบรรลุธรรมวันหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอลำพึงขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพระปฏิยะอยากจะคิดถึงความสุขในสมัยเป็นผู้ปกครองเป็นราชา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 หลายรอบรอบตัวแต่ก็ไม่มีความสุขเลยนะมีความกลัวด้วยซ้ำนะแต่พอมาครองภาคกาสาวพัฒนะอยู่อย่างง่ายๆฉันมือเดียวนอนใต้โคนไม้นี่ไม่มีองครักษ์ปกป้องอยู่ในป่าที่เงียบสงัดกลับมีความสุขมากกว่า และคนที่มีความรู้สึกแบบนี้หรือว่าพยายามที่จะแสวงหาความสุขแบบนี้นี่ก็มีมาตลอดนะพวกเราก็อาจจะเดินบนเส้นทางนี้ก็ได้นะถึงมาที่นี่เพื่อมาพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีความสบายเท่าไหร่ไม่มีความสนุกด้วยนะ แต่นี่แหละคือสิ่งที่จิตใจส่วนลึกของเราโหยหาก็ได้ความสงบที่เกิดจากสิ่งเรานะเกิดจากความตื่นเต้นเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันมันวือหวามันเสพง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็เบื่อง่ายเหมือนกัน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 มันก็ทำให้อยากจะสแสวงหาความสงบเริ่มจากการที่ไปหาสถานที่ที่สงบสงัดอย่างที่วระป่าสุขโตเนี่ยนะหลายคนมาก็เพราะรู้สึกพึงพอใจหรือติดใจในความสงบสงัดบางคนนะเพียงแค่มาไม่กี่นาที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 อย่างแรกที่สัมผัสได้คือมันสงบนะให้ผู้คนก็แสวงหาที่สงบสงัดเพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขความสุขที่เรียกว่าที่ชื่อว่าความสุขสงบนะเดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยความความสุขสงบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่สงัดเนี่ย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 อย่างพรุ่งนี้นี่ก็จะมีบวชเนนรคนก็จะมาเยอะแย ะ, ะเด็กก็จะส่งเสียงเจียวจ้านคนที่หวังความสงัดก็ จ, จะไม่ถูกใจหรือบางคราวหมู่บ้านที่อยู่นอกวัดเขาก็มีงานยิ่งมีงานศพมีการใช้หนังมีการส่งเสียงดังชาวบ้านชอบมันเป็นเสียงเพลงแต่พวกเรา <c oughs> ไม่ชอบเพราะว่ามันทาลายความสงบหลายคนก็พออยู่ไปอยู่ไปก็รู้สึกมันไม่สงบแล้วก็นึกหาที่ใหม่ที่มันสงบกว่าแต่ว่าถึงจะหาเจอเนั้นสุกก็จะพบว่ามันก็ไม่สงบอย่างที่คิดมันก็จะมีความวุ่นวาย มีความบกทึกเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เป็นครั้งคราวนะก็ต้องหนีไปใหม่ถ้าแสวงหาความความสุขสงบที่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเพราะว่ายัางไงก็ตาก่างว่าต้องเจอนะต้องเจอสิ่งที่มากระทบใจสิ่งที่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 ไม่พอใจถึงขั้นโกรธนะด่าว่านางทาสีคนนี้ใอความสงบที่มีนี่หายไปเลยนะมันกลายเป็นความโกรธความร้อนรุมมาแทนที่นางทาสีก็เลยเชีย่ยเนี่ยที่ท่านสงบได้มันไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกแต่เป็นเพราะอาลูกน้องหรือว่าพวกนางทาสีทั้งหลายนะเขาเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูล แต่พอไม่เป็นไปตามใจหวังหรือว่าเขาไม่ทำงานนี่ร้อนเลยถ้านะ ใ, ในความเป็นจริงคนเราเนี่ยจะหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันเป็นไปตามใจหวังมันราบรื่นนะมันยากนะหรือเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่อยู่ไว้ก็ต้องมีอะไรที่ไม่ถูกใจหรือว่ามีสิ่งที่มาขัดใจบางคนก็หนีนะ ไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรไม่อยากจะทำงานอะไรในวัดไม่อยากจ ะ, ะเกี่ยวข้องเพราะว่ากลัวว่าจะทำให้ใจไม่สงบแต่ว่าความคิดแบบนี้ก็ทำให้หนีเรื่อยไปหรือกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบกลายเป็นคนไม่ไม่เอื้อเฟอื้อส่วนรวมที่ทามาคื อ, อความสงบที่ตัวเองมีหรือความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวก็เป็นของที่เปราะบางมาก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 ในการที่เราจะหาความสงบที่ใจเราได้เนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัตินะปฏิบัติที่ใจนะี่ต้องอาศัยการวางจิตวางใจที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจ น, นถ้าเราฝึกจิตได้ฝึกจิตได้คล่องแคล่วชำนาญรู้จักวางใจถูกนะเราก็จะสามารถพบกับความสงบได้ ในทุกที่ในทุกสถานการณนะ์แม้แต่เวลาเจ็บเวลาป่วยนะก็ยังพบกับความสงบใจได้ใครพูดอะไรมาใจก็ไม่กระเพื่มพอมก็รู้จักปล่อยวางได้วางใจถูกนะหรือว่าเจอสิ่งไม่สมหวังงานล้มเหลวใจก็ไม่ทุก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 เราไปหวังพึ่งความดีจากคนรอบตัวมากไปถ้าหวังพึ่งความดีจากคนรอบตัวหวังพึ่งการพูดดีทําดีจากเขานี่ก็จะยากนะที่จะพบกับความสงบความสุขได้จากคนที่พบเข้าถึงความสงบความสุขจากใจตัวเองแท้จริงนี่ใครก็จะทำไม่ดีกับเราใครก็จะพูดไม่ดีกับเราใจเราก็นิ่งสงบได้เพราะเกิดจากการปฏิบัตินะพยายามทาให้ได้นะ ความสุ ป, ประเภทนี้เอาละชาตินี้ก็เพิ่มแเท่านี้